50 languages. Thirty-three. Tripan. Rán ká. Dukaane. We are looking for a shop selling sports เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ हम ग ोิสกุศลคิดูการ์ช र ารเรียเรากำลังมองหาร้านขายยา हम दवाओ ยว่ากิดูการ์ชการเเราต้องการซื้อลูกฟุตบอล हम มอตบอลขวิดนाใจเหตุเราต้องการซื้อซาลาไี่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 เรากาลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาเรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อ रहे हैं ดิฉันกาลังมองหาร้านขายเครื่องประดับดฉันกาลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ ฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานฉันทำลังมองหร้านวางแผนทันจะซื้องหวนขายขนมหวานฉันกำลังมองหาร้านขายขนดหวฉันกำังมองหาร้นขายขนนฉันกำลังมองหาร้นายภาน มีรายอิร่ฟิลมซื้อนกาฮอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กมีรายอิราสตรีซื้นกดิฉันกาลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน ہ ہ ฉันกาลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม मैं फ ิ ल्म खरीदने के लिए फोटोशॉप त ल ाอ कर रहा ह ूนดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้กสตรีซื้อได้เนี่ยคือเบเกอรี่คือร้านตั้ाค้นหาอยู่นะแม่เพสตรีซื้อได้เนี่ยคือบิ๊ทไทยคือा้าน